ที่จะแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้แต่ทุกขรั้งท้องใจเมื่อพิจรารณามีปัญญาเข้าใจจริงทุกนั้นจะต้องตกไปไม่มีทุกในจิตในใจเพราะความรู้เท่าเข้าถึงเรื่องต่างๆแก้ไขความโกรธเกลียดต่างๆรักต่างๆ ออกจากใจเพราะใจที่ลำเอียงไปตามเรื่องต่างๆนั้นนำทุกข์มาให้เจ้ตัวข้องตัวไม่ใช่ใจที่นีอาจมีธรรมไม่ใช่ใจเป็นตาทีนี้พี่แจนะหาทางสอนตัวอยู่สม่ำเสมอรักษาตัวให้สงบ จากสัญญาอารมณ์ที่เป็นข่าสิดของใจใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนกอดท้าทางจีตายังมีหูยังมีเจะหมูกลิน้นกายใจยังมีแต่จะไปจิตไปขว้างไปปรุงไปคิดในสิ่งที่เป็นพิดเป็นไทยนำให้จิตใจเศร้าหมอง เลือดร้อนวุ่นวายนั้นอาศัยธรรมะอาศัยปัญญาทิเ จ, าจเรนาใจเลยได้รับความสงบสงัดเพราะตาเห็นก็มีปัญญาที่ไปแนสอนด้วยจิตที่มีสมาธิความหนักแน่ความลงรวมเป็นพื้นฐาน เมื่อไปเห็นเข้าเกิดรักเกิดโกรธต่างๆคนมีปัญญาสอนตนทีดว่ารูปอันนี้มันมีอยู่ตั้งแต่เรายังไม่เห็นไม่ใช่ว่าเราเห็นแล้วมันจึงมีมันมีตั้งแต่เรายังไม่เห็นเรามาเห็นนี้มีความหมายอะไรใจจึงไปรักใจจึงไปโกรธ ถ้ใจไม่ไปหมายใจไม่ไปยกห่้องด้วยสัญญาอารมณ์แล้วเที่เหล่านั้นมันก็ผ่านไปตกไปนี่ใจของเรายังหมายว่าหญิงว่าชายว่าดีว่าชั่วจึงโปรดจรงรักมีการสอนตัวด้วยปัญญาพิ่เจณาแก้ไข ให้ใจหายจากรักจากโกรธเพราะนําทุกมาให้ใจไม่เป็นกลาใจไม่เป็นธรรมใจยังหวั่นไหวต่อสิงเหล่านี้เราจะต้องพิจารณาเน้นหนักเข้าไปหากเพียนพยายามตลมจิเลศเข้าไปเพราะจริงเหล่านี้นั้นมีอยู่ไม่รู้มันก็มีอยู่รู้มันก็มีอยู่ ความหลงจิไตไปหมายจิไตไปจิตไปคล้องมันเป็นพิษแล้วต้องแก้แก่จิต ข, ของตัวแก้ได้โดยอุบายปัญญาหากมันเป็นปัญญาจริงจังมันแก้ได้หามันเป็นปัญญามันแก้ไม่ได้ได้หรือไม่ได้ก็อยู่กับตัวของเราอีก เข้าใจแต่เรายังไม่เข้าใจในตัวของเราอเองจะเชื่อเรายังแก้ไม่ได้ยังไม่หายสงสัยกำหนดใ จ, จะนะเรื่ อ, ง, องนั้นในเกิดปัญญาตายานภายในจนสามารถเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นจิไในเกี่ยวข้อง ในยึดถือหมดกังวลการรูปเสียงเรื่องราวต่างๆนี่คือการฝึกการอบรมตัวการปฏิบัติตัวเป็นหลักฐานเป็นพยานยาในตัวเชื่อตัวเมือตัวของตัวดีตัวของตัวสงบเรื่องทั่วไปในโลกมันก็สงบ เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันหากจิตรู้ตามเป็นจริงแล้วหมดปัญหาหากจิตยังหลงมันก็หลงเรือ่อยไปอยู่วัดนี้ไปไมายรูปนั้นเสียงนี้่าเป็นข่าศึกศัตรูต่อเราเราจะไปวัดใหม่บ้านใหม่จังหวัดใหม่ ด้วยอำนาจที่ใจมีกิเลสตัณหาใน่รรมละไปบ้านใหม่เห็นใหม่ก็ติดหล้องอีกเรื่องของจิตของใจถ้าใน่ทรละภายในมันเป็นอย่างนั้นไม่มีที่ใดที่จะสุขจะสบายเหมือนกับหมาหัวบาดไปอยู่สถานที่ใดนั่นก็มีความสุขความสบายพอหนอนใส่หัวมันอยู่ อยู่ที่ไหนมันก็เป็นทุกข์ไม่มีความสุขถารักษาบาตมันหายมันจะนอนเท่านอนดินที่ไหนมันก็นอนได้สะดวกสบายของมันจิตใจของพวกเราทันกว่าทำนองเดียวกันหากจิตยังไม่ดีมีกิเลไสไปสถานที่ใดก็มีแต่ข้าศึกศัตรูจะไปอยู่สถานที่ใดมันก็มีแต่ภัยอันตราย แต่นั้นจึงควรแก้ไขการแก้ไขก็ไม่มีอะไรที่จะเนื้อไปจากปัญญาทีนี้พี่เจนาให้ท่วถึงให้เข้าใจตามเป็นจริงถ้าปัญญาเกิดอย่างภูปัญญาหรืออวิชามันตกไปหลุดไปหมดไปถ้าปัญญายังไม่เกิด ทีนี้พิจารณาให้มากปัญญาจะเกิดก่ออาศัยปัญญาด่านภายในปัญญาด่านภาวนาจึงเป็นปัญญาจะะิตเจระถอนกิเลสปัญญาเสื่อสุดตามายปัญญาจินตามมยปัญญาเนี่ยปัญญาขั้นต่ำไม่สามารถจิตจะตังหารล่างฐานกิเลสภายในให้ตกไปได้อาศัยการภาวนา การทำการจริงจังทุกคนมีไม่ใช่ไม่มีมันดีได้เพราะมันชั่วได้มันก็ดีได้ความคิดของใจในสมัยที่ไม่ฝึกไม่อบรมหรือฝึกยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นอะไรมันก็ต้องมีการแชรสายมีการทุกลําำบากเป็นธรรมดาม่ว่าทำงาน ทางโลกไม่ว่าทำงานทางธรรมแต่ก็ถือว่าสิ่งที่มันทุกข์มันยากมันลำบากหากปล่อยเอาไว้ไม่ตั้งใจฝ่าฟันอุปสรรคส่วนนั้นเราก็ไม่มีทางจะไปถึงมันยากมันลำบากก็จะต้องสู้ต้องทนเพื่อผลคือความสุขความเจริญของตัว ให้สอนตัวอย่างนั้นโดยเฉพาะให้พิจารณาถาดขันเพราะถาดขันเป็นวิปัตนาจะเกิดปัญญาแจ่มใสเข้าใจทั่วโลกวิปัตนาภูมิที่ท่านกล่าวไว้มันมีอยู่ในกายในใจไม่ใช่อยู่ที่อื่นซ่ง ท่านว่าที่ทําำคือทํายิ่งมันมีอยู่นี่ปัญจขันธารูปขันโธเวทนาขันธโผไม่มีอยู่ที่ไหนปัญจขันธก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิน ญ, ญาณมันมีอยู่ทุกท่านไม่ว่าผู้เป็นพระไม่ว่าผู้เป็นเนนไม่ว่าเป็นเทรว่ามันมีด้วยกัน อภิธรรมจึงมีอยู่กับพวกเราทุกท่านแต่เราเรียนถูกพิจารณาถูกจิตใจของเราจะยิ่งจะเห็นธรรมยิ่งจิตก็จะยิ่งไม่มีสิ่งที่จะมารบกวนวุ่นวายเพอพิจราจรณาให้มันถูกพิจารณาให้มันถูกพิจารณาให้มันเกิดกิเลสปัญหามันพิจารณาได้ มันปรวงไปได้ทั้งสิ่งนั้นเราไม่เห็นใน ม, มีอยู่ในตัวของเราไม่มีอยู่ใกล้ตัวของเราเส่นอารมณ์เก่าก่อนที่เคยผ่านมารักชอบอย่างไรคิดไปมันยังกำหนดยังยินดียังเพลิดเพลินเรื่องคิดแก้ไขก็ทำนองเดียวกันจะกำหนด คนตายเอ๋อสุภาเอาสุพังที่เราไปเห็นในป่าช้าเรือไปเห็นตามสนนทุนทางต่างๆตึ่งติดหูติดตาว่าคนนั้นตายไปอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมาพิจารณาก็ได้จะพิจรารณากายของตัวก็ได้ถ้าพิจารณาไปในทางธรรมใจจะไม่เหื่อใจจะไม่หลงใจจะไม่เกิดกำหนับยินดี การพิจนาไปในทางโลกนั่นก็นี่แต่จะหลงจะไหลจะเสียจะหายไปจากนั้นใจดวงเดียวนั่นแหละมันเกิดรักก็ได้เกิดโกรธก็ได้ในพิจัยนาถูกมันจะเป็นทางถูกได้พิจัยนาายจิวประชาอาจารย์สอนผมคนเร็บฟัน เป็นกรรมฐานมูลกรรมฐานเป็นฐานจิตควรพิจารณาเพืนะ่อตัดราคาตัณหาของใจหากเราปล่อยเอาไว้ท่านสอนแล้วก็แล้วไปในพิจารณาตามเป็นจริงใจจะลุ่มหลงถ้างช่างจีเคยหลงมาอยู่แต่ก็ไม่มีวันรู้วันเขาใจยิ่งหลงก็หลงเรื่อยไปเพราะไม่วก เข้ามาสอนใจตัวเองพิเจนาในทางธรรมพิเจนาตัวเองในด้านลูกเสียงต่างๆโดยเข้าใจขนัดชัดเจนโลกทั่วไปไม่ต้องไปพิเจนาไม่ต้องไปดับมันดับจิตใจของตัวเท่านั้นก็ดับโลกทั้งสามน่ะการละโลกลูประโลกอรูปประโลกมันนี่อยู่ในใจ มันไม่มีอยู่ที่อื่นที่จะมาแจกขายตัวเองว่าญิณต่างๆที่เป็นอันนี้จังมันอันนี้จังทั่วไปเข้าใจขนาดแต่เราย่อมไม่เกิดหรือเราเกิดอยู่มีชีวิตอยู่หรือเราตายไปแล้วมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ว่าวันคืนเดือนปีในว่ามนุษย์สัตมันจึงไม่มีอะไร ที่จะไปห้ามการปิดบังเรื่องปัญญาว่าจะควรสงสัยในจริงต่างๆเพราะมันเห็นจริงอย่างนั้นถ้ามันเป็นจริงเห็นจริงมันหายสงสัยอดีตไม่มีอนาคตไม่มีไปัจจุบันรู้เห็นเด่นชาติอย่างไรอดีตอนาคตก็อย่างนั้น จึงไม่มีทางจะสงสัยกันที่จะนารูปของตัวทั่วถึงเข้าใจเห็นขนาดชาัดเจนอย่างไรรูปทั่วไปในโลกก็เหมือนกันฉะนั้นจึงไม่มีทางจะสงสัยการปฏิบัติใจจึงควรกำหนดเรื่องของธรรมอย่าไปคิดว่าอยู่ๆจะให้มัก เกิดผลเกิดมันเกิดขึ้นในไดน้ถ้าหาเราไม่มีอุบายไม่มีปัญญาแนสอนตัวผักเพียนพยายามบังคับบัญชามีสติมีปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นทางฝ่าฟันอุปสรรคคือกิเลสตันหาพยายามแต่ทำบำเพ็ญ ของเราเย็นอย่างเดียวโลกมันจะร้อนขนาดไหนมันเย็นได้สบายได้จิตของเราร้อนเก็ดจิอยู่ในห้องแอร์มันก็ร้อนจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่านควรฝึกควรอบรมควรแนะนตัวมันชั่วมันดีมันไปจากจิตมาจิตชั่วแล้ว จิตเสียแล้วทุกอย่างมันเสียไปหมดรักษาจิตรักษาใจคงตนด้วยสติด้วยปัญญาทีนี้พิจารณาทำแนะสอนใจที่เคยเหลวไหลใจที่เคย <c oughs> เพิดเิ น, เ น, เนจะเกิดเป็นใจดีใจสงบมันเป็นมาอย่างนั้นทุกท่านไป เมื่อเวลามันเพลิดเพลินในเรื่องของโลกเพลิดเพลินแล้วจริงจริงจังจังในว่าทําการทํางานในว่าหลับบ้านนอนมันจะต้องคิดต้องอ่านเป็นเพื่เป็นแถวไปเลยเพราะใจมันปรุงมันคิดมันเพลินกับเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนั้นเพื่อเพื่อถึงขั้นของธรรมก็เหมือนกันไม่ต้อง ระวังรักษาไม่ต้องหางานมาให้มันไปของมันเองทุกระยะทุกเวลาจะจิ้นจะดื่มจะเดินจะนอนจิตจะต้องคิดในเรื่องของธรรมสม่ำเสมอเรื่องของโลกจะมาก่อเกี่ยวไม่ได้ีถึงขั้นมันจะเป็นไปอย่างนั้นมันเป็นไปจริงจริงมันไม่ยอม ที่จะไปเดี่ยวขวางื่องนอกพยายามฝึกพยายามอบรมหรือจะยอมโง่ยอมตายอยู่ก็บโลกหนยไปเราไม่สอนเราเราไม่ฝึกเราจะเหตใครฝึกให้ปล่อยมันไปกว่าเคยปล่อยมาแล้วนับครบนับขาดไมด่ได้ชาติตาจุบันมันให้สุขขนาดไหนให้ทุกข์ขนาดไหนก็เพราะทราบ อย่างความสงบสงัปฏิบัติลาถอนกิเลสถึงจะทุกข์ใจยากใจลำบากลำคาญก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำเพราะผลมันมากพยายามสอนตัวอารมตัวมานของศาสนามานของจิตใจ มันก็อยู่กับจิตกับใจของตัวเองเหมือนกันกับสนิม <c oughs> มันไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากแหล็กแต่โฟกัสที่เหล็กนี่งที่เหล็กตั้งหามาน้นทิฏฐิถึงเป็นมารก็อัจต้องทำงเพรเกิดขึ้นจากจิตใจของเราพยายามปัดเป่าขัดสีโดยอาจเกิดทำให้มากสึงเหล่านั้นจะตกไป เมล็ดไม่มีกระหนิมเหลี่ยมนั้นก่อนสวยงามทนทานจิตใจของพวกเร า, าท่านก็ทจำนองเดียวกันเมื่อไม่มีจิเลศกัญหากระห น, นิมก่อจิตก่อใจมันจะเป็นอย่างไรจะเข้าใจในตัวเองความสงบความสุขความดีความพิเศษเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถามถึง เพราตัวเองเห็นตัวเองเป็นจึงไม่มีความสงสัยมีการปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนั้นเมื่อที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเข้าใจในเรื่องของธรรมจึงไม่มีเรื่องอะไรที่จะไปติดบังความสุขความสบายของท่านทุกคนต้องการความสุขความสบายหากจะให้มันเกิด มันเป็นมันเห็นมันรู้ด้วยการใน่ปรเพื่ปฏิบัติคนแจ่ทั่วไปวกจะพ้นไปจากที่เหลือกันหามีความสุขความสบายภายในใจทั่วหน้ากันนี่ในต้นอย่างนั้นจะเท่าจะแจกขนาดไหนก็ตามหากไม่มีการประปฏิบัติไม่มีอาจมีทำแล้วแจกแต่รูปใจมันไม่แจ่ยังเป็นเด็ก ยังวุ่นวายตั้งวนดิ้นรนในวิเลศแต่ตามต่างๆไม่มีเวลาที่จะต่างกันเบาเรื่องของจิตมันเป็นอย่างนั้นต้องอาศัยธรรมเท่านั้นเขาไปฝึกไปอบรมใจจึงจะเป็นใจคนแก่ได้ใจจึงจะอยู่ะสะดวกสบาย พยายามทำเพราะไม่มีเหตุการงานอะไรไมายุ่งเกี่ยวกลางคืนเมื่อนั่งเหนื่อยไฟแล้วก็มีจุดเดินชมชมกลม้งวันอยากจะเดินในรม่มในเงาก็เดินได้เพราะมีทางจงกลมในป่า เขาทาไร่ทํานาตางแบบทั้งวันเขาทาได้เราเดินตรงกลมเรากลัวขาจะขาดตายถ้าเป็นแบบนั้นมันเป็นตไตรมาได้ใครจะได้เชื่อในเรื่องกิ่เหลือปัญหาอา ย, อยุกว่าทำขนาดนี้พอแล้วพออะไรได้อะไรเป็นผี่พอใจเป็นที่ตื่นใจทาไมเราพอเมื่อคุยกัน ไม่เห็นว่าพอแล้วพาคุยได้นั่งเล่นคิดเรื่องอื่นคิดมาพอแล้วไม่ไม่เห็นว่ายังคิดกันอยู่หาทางจับจิดจิของตัวเองหาทางสอนตัวเออารมณ์ที่เราเคยผ่านมาระยะยาวนานกว่าต่าง ทางกิเลสตัณหาอูปเสียงต่างๆจู่เคยเห็นมาครั้งๆจิตเคยเห็นเคยรู้ในสิ่ง น, นั้นเคยเบื่อแต่ก็ไปชอบไปติดไปคิ ด, ไ ป, ดไปปรุงอีกทำไมไม่เบื่อเราการพิ่าย่นะธรรมะจะเป็นการบริกรรมหรือการกาหนดบทธรรมเราจะไปเบื่อมันทำไมเพราะใจ มันจะไม่เบื่อโล ก, กของเกา่ามันเอามาคิดมาปรุงนี่ทำของเกา่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังเคยคิดเคยปรุงเคยแก้จิตเหตุปัญหาเราอย่าไปว่ามันพอถ้ามันพอสิ่งเหล่านั้นมันจงดับไปพยายามสอนใจของตัวทุกคนมีสติมีปัญญามีศรัทธาความเพียรเชื่อมั่น ว่าจิตใจจะต้องมีหลักฐานแกนสานมีความสุขความเจริญจากนั้นโอกาสเวลาในพรรษาไม่มีอะไรมาวุ่นวายเกี่ยวข้องตัางหน้าตังตาประพื่ปฏิบัติให้จิตมีหลักมีฐานอย่าไปประมาทอย่าให้เกิดเองเจนเองเจนไปในด้าหากเราไม่ศึกษาไม่แต่ทำบำเพ็ญ พระทุกอย่างมันไม่เป็นมาเองเป็นมาจากเหตุพยายามสอนตนฝึกฝนอบรมอย่าไปประมาทการอธิบายธรรมะจะเห็นว่าพอต้องควรเสียเวลา